คุณทวศสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสานีสนทนาค่ะดิฉันสันสานินาคมนะคะมารายงานตัวกับท่านแล้วก็จะนําท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมทางวิทยุนี่แหละค่ะกับการฟังธรรมจากการสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุโนัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีซึ่งมีเป็นประจําที่นี่นะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอร้ ในวันพระหัสศุกรีและวันศุกร์สำหรับการถามคําถามในรายการเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ดิฉันถามแทนท่านทั้งหลายบางทีก็ไม่ใช่คำถามของท่านเองแล้วท่านพิบูรลก็ตอบท่านพิบูรลก็เลยจะมีข่าวดีมาบอกกับผู้ที่สนใจจะซักเองนะคะจะได้ตรงใจเป๊ะในวันนี้ว่าจะมีโอกาสอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปในมนสการท่านแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม กับการที่ท่านจะนำพวกเราปฏิบัติธรรมก่อนฟังธรรมกันนะคะนนมส ก, การมคะท่านคะเจริญพรเวลาที่เราจะเริ่มที่จะนำธรรมะเข้าสู่ใจผ่านทางหูพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ตอนที่หลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆอยู่ที่ใต้ต้นไทอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพ้ได้ปรารพถึงเรื่องของการฟังเรื่องของหูนี่แหละว่าประตูสุนิพานอันเป็นนบตะ ได้เปิดไปแล้วแก่สัตว์ในยุคนี้สัตว์เราได้มีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดโสตประสาทในที่นี้ก็คือหูนั่นเองเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะรู้ได้ก็ต้องอาศัยหูเป็นเครื่องช่วยในการที่เราจะฟังได้ยินฟังแล้วใคล้กรุนให้ดีทําในใจโดยแยบกายเราจะสามารถทําในใจโดยแยบกายใคล้กรุน สิ่งที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ดองอาศัยเรื่องของการที่ตั้งสติขึ้นเราจะมีสติได้จะต้องมีเครื่องมือสติแปว่าความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะทำใจของเราให้ออกจากดินแดนที่เป็นอกุศลให้มาอยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลมีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นหนึ่งก็คือพุท ธ, ธานุสติมีการระลึก ถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติหรือว่าแม้แต่การระลึกถึงลมหายใจอันนี้ก็เป็นกายค า, าสติอย่างหนึ่งให้เรามีสติตั้งไว้อยู่ในกายโดยใช้ลมหายใจของเรานี่แหละหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้แล้วสังเกตดูให้ดีว่าในลมหายใจที่กำลังหายใจเข้าหายใจออกนี้สังเกตดูถึงจุดสัมผัส ที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นาะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้อยู่ณนะที่ตำแหน่งนั้นแน่นอนในขณะที่เราตั้งจิตของเราขึ้นอย่างนี้อาจจะได้ยินเสียงบางอย่างในภายนอกอาจจะมีความคิดนึกใดๆบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ลืมลงลมหายใจใจของเรายังตั้งอยู่ที่นี่ก็ชื่อว่ายังเป็นผู้ที่ มีสติตั้งอยู่การมีสติอย่างนี้เรารักษาไว้ให้ดีไม่ว่าจะในขณะที่กำลังทำงานบ้านในขณะที่กำลังเดินทางทำงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้แต่การพูดคุยพบปะสนทนากันก็สามารถตั้งสติได้พระพุทธเจ้าเองตัวพระองค์เวลาที่เทศนาแสดงธรรมมีการใช้เสียงการพูดคุยอยู่นี้บางทีไม่ได้หายใจ เพราะในขณะที่พูดอยู่เนี่ยลมหายใจมันก็จะต้องถูกปิดเอาไว้เพื่อให้อากาศมันผ่านออกมาทางหลอดเสียงแต่ว่าถึงแม้จะมีสัมผัสที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกหรือไม่ก็ตามปราชาก็อยากให้ตั้งสติไว้ที่ตำแหน่งเดิมส่งใช้คำว่าปริมุขขังคือเป็นตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนี่แหละดารงสติเอาไว้เฉาน้าไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอน ทำกิจกรรมใดๆก็าตามสามารถที่จะดำรงสติไว้เฉพาด้านได้เชินบอนท่านฟังที่ครบรค่ะและนั่นก็เป็นการที่พระมหาภัยบุญอภิปุณ โ, โนนะคะท่านได้นำพวกเราปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการสอนให้เรารู้ด้วยว่าเราโชคดีแล้วที่เกิดมามีหูเพราะประสาทสดาได้กล่าวเอาไว้เลยว่าสัตว์โลกสัตว์ใดนะคะมีโสตประสาท แล้วก็ฟังฟังแล้วก็ไปใครครวญโดยแยบคายอาศัยสติสติสตใช่จะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยการที่เราฝึกกันโดยวิธีที่ท่านพิบูนให้เรานั่งใช่ใฝึกกันได้งแะ ต, ตอนต้นท่านคะพอดีพูดมาถึงเรื่องอว่าสถานที่ที่พระพุทโธตรัสกับเด็กเลี้ยงแพ้ใช่ไหมคะอที่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักรองของเด็กเลี้ยงแพะค่ะใต้ต้นไทรที่พักรองของเด็กเลี้ยงแพะเนี่ยก็เลยทําให้เดี๋ยวฉันคิดถึงข่าวที่ ร้อนในวันที่บันทึกเทพนะคะวันที่สี่ทางหน้าหนังสือไทยรัฐเขาก็ทางทางไทยรัฐออนไลน์ น, น, น่ในใค่ะเพราะที่ฉันดูจากอินเทนอร์เน็ตว่าในปานนั้นเขาก็ได้ยกเลิกประเพณีที่ชื่อว่าคตติมาอีอนะคะเบเป็นเทศกาลคติมาอี สัมนกขาว AFP รายงานเป็นเบื้องต้นแล้วไทยรัสออกมาอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นพิธีที่เขาจะมีการบูชายันสังเวชชีวิตสัตว์ให้กับเทพเจ้าเป็นจำนวนเยอะมากมายสองสอง แ, สแสนห้าต่อหนึ่งครั้งค่ะทั้งควายทั้งหมูทั้งแพะทั้งแกะหนูนกพิราบแล้วก็จะมีคนมาร่วมเป็นสองสมล้านคนอ๋อสองถึงห้าล้านคน แล้วก็เป็นประเพณีที่มีมานานตั้ง400ปีมาแล้วอืมบอกเจ้าแม่คติมาอีเนี่ยเป็นเทพในศาสนาฮินดูเป็นเทพีแห่งอำนาจาคนที่ฆ่าสัตว์บูชาก็เชื่อว่าเจ้าแม่จะช่วยยุติสิ่งเลวร้ายนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอืชาวบ้านในเมืองปาริยะปุระทางตอนใต้ของเนปาลให้ความเคารพ บ, บูชาเทพเนี่ยมากก็บอกต้นเหตุที่มีการบูชายัญเยอะๆมาเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของบ้านแต่วสาวนั้นแหละ ถูกจองจําอยู่ในป้อมแล้วเขาก็เกิดฝันระหว่างถูกจองจําว่าเจ้าแม่เนี่ยมาโปรดแล้วก็บอกว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขถ้าบูชาด้วยโลหิตเพราะเขาเป็นอิสระก็เลยไปจัดพิธีนะคะนี้ขึ้นด้วยการกรีดเลือดจากหาส่วนในร่างกายของตัวเขาเองเนี่ยอื ม, มาบูชาเจ้าแม่อืแล้วก็บอกว่าในวันนั้นน่ยมันมีปฏิหารเกิดขึ้นมีไฟเกิดขึ้นในหายก็เลยทําให้เขาเชื่อใหญ่เลยนะคะ ทีนี้ก็เลยสืบต่อปฏิบัติกันมาแต่ก็มีคนในประเทศนั้นเช่นเดียวกันที่เห็นว่าเป็นการกระทาที่โหดร้ายบางกลุ่มศาสนาก็บอกว่าอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลครั้งที่ผ่านมาได้ในเมืองไทยเราก็เคยมีกระแสกล่าวถึงอย่างนี้เหมือนกันนะคะนจนกระทั่งล่าสุดก็บอกเมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองก็ได้รับการประกาศห้ามจากรัฐบาลเนปาล นักสิทธิศาสตร์ก็ออกมาเ ป, เปิดเผยเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าพวกเขาเองก็พยายามเปลี่ยนใจคณะกรรมการของวัดวัดที่มีบูชายัญเนี่ยนะคะแล้วก็รัฐบาลมานานเป็นเวลาหลายปีก็ฟังข่าวแล้วคิดว่าชาวพุทธเนี่ยก็ยินดีนะคะเพราะว่าเราก็มีความเชื่อว่าการฆ่าไม่ได้ช่วยอะไรแต่ส่วนที่จะกราบเรียนถามท่านเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการฆ่าเนี่ยค่ะผู้ทโงได้ตรัสไปอย่างไรบ้าง เรื่องของการฆ่าสัตว์นะก็ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปโดยการใช้อาทยาด้วยการใช้ศาสตราแล้วก็ต้องมีเจตนาด้วยซึ่งในการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปโดยเจตนาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ว่าไม่ควรทําในที่นี้เนี่ย ค, คือเป็นความปกติที่เราควรจะต้องเป็นอย่างนี้ความปกตินี้เขาเรียกว่าศีลอันนี้คือในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจะพูดถึงเรื่องข่าวตรงนี้มันก็จะมีเนื้อหาอยู่3 ส, ส่วนด้วยกันคุณจอมติวในส่วนแรกคือเรื่องของการฆ่าแน่นอนว่าการฆ่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ดีแน่นอนไม่ว่าจะฆ่าเพื่อที่จะลดจํานวนมันฆ่าเพื่อที่จะเป็นกีฬาฆ่าเพื่อที่จะบูชายานฆ่าเพื่อที่จะกินหรือฆ่าเพื่อจะอะไรก็แล้วแตนะ่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำํำนอกจากการฆ่าแล้วนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังรวมถึงการค้าขายสัตว์เป็นด้วย รวมถึงการค้าขายเนื้อสัตว์ด้วยนะซึ่งการค้าขายสัตว์เป็นและการค้าขายเนื้อสัตว์เนี่ยบอกว่าเป็นาการณียกิจนะอาการณียกิจก็คือการค้าขายที่ไม่ควรทํำเป็นอการณียกิจอันนี้เกี่ยวกับเนื่องด้วยกับการค่านะคืออะไรที่จะเป็นซัพพลายเชนในการที่จะส่งเขาไปค่าเช่นคุณจะขายสัตว์เป็นให้เขาไปค่าอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเป็นซัพพลายเชนผลของมันออกมาค่าแล้วมีรายก้อเนื้อ เราซื้อเนื้อมันมากินหรือซื้อเนื้อมันไปทําอะไรอันนี้ก็ไม่ควรจะไปค้าขายตรงนั้นเดียวรวมถึงการซื้อการขายด้วยนะ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือในส่วนแรกในเกี่ยวกับการค้าแล้วก็การซื้อขายพวกนี้ใน <Okay. S 1> ส่วนที่2ก็เรื่องของคำายันหยันเนี่ยเป็นลักษณะของการบูชาแบบหนึ่ ง, งการบูชาด้วยอามิตดการบูชาเนี่ยจะมีอยู่อยู่2 ส, ส่วนคุณโจมติว๋ว <Okay. S 1> คือส่วนที่บูชาด้วยข้าวของสิ่งของ แล้วก็ส่วนที่บูชาด้วยคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการปฏิบัติบูชาในการบูชาด้วยข้าวของก็เช่นว่าเอาของไปให้นะเช่นว่าถ้าคุณโยมติวเอาของไปถวายพระอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นการบูชาเหมือนกันด้วยการให้ทานทีนี้การให้ทานก็คือมีผู้รับมีผู้รับเป็นตัวเป็นเฉพาะเจาะจงเลยอันนี้คือมีผู้รับแต่การให้ชนิดที่เรียกว่าบูชาด้วยสิ่งของชนิดที่เรียกว่าไม่มีผู้รับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบูชายัน ก็เรียกเป็นการยันเช่นว่าเราจัดข้าวคล้องอเครื่องบวงสวงเอาไวา้บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตั้งไว้กลางแจ้งแล้วก็ทูบไปปักแต่บอกว่าอันนี้คือบูชาเทวดาอันนี้คือบูชายันนั่นแหละก็ะคือไม่มีผู้รับเฉพาะเจาะจงหรือเอาไปตั้งไว้ที่ต้นไม้เอาไปตั้งไว้หน้าหลุมศพเอาไปตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปในการถวายข้าวพระพุทธอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นการบูชายันทั้งหมดเลย่ในหน้าต่างคาสั่งบูชาก็มีนะพูดถึงยันแต่ว่า คนที่เชื่อว่าการยันที่บูชาแล้วมีผลนันเนี้ยเป็นสัมมาทิฐิในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู<ะ>อ่คือมันก็ได้ผลละนะแต่ถ้าเป ร, เรียบเทียบระหว่างเรื่องของทานกับเรื่องของยันจะมีความแตกต่างกันในะยันเนี่ยคือไม่มีผู้รับนะไม่มีผู้รับแต่ได้ผลไหมก็ได้ผลในส่วนของผู้ให้นะถ้าผู้ให้<ะ>มีศรัทธาชนิดที่เป็นสัมมาทิฐินะก็มีผลมากขึ้น กว่าสตาธาชนิดที่เป็นมิจฉาทิฐิล่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่ถ้ามีผู้รับด้วยก็จะมีอันนี้ส่งเพิ่มขึ้นตรงจุดที่ว่าผู้รับเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นน า, าเป็นนาเนี่ยเราเอาข้าวจะไปปลูกในนาแต่ถ้าเป็นนาที่มันไม่ดีเป็นนาดอนน้าแห้งเป็นหินเป็นก้อนลูกรังอะไรต่างๆเราเอาข้าวไปโปรยไปหว่านไปใ ห, ให้มันเกิดงอกเนี่ยมันก็จะยากนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับ ผู้รับเนี่ยถ้ามีกิเลสมากมีราคาโทสะโมหะมากเช่นเอาให้สัตว์เดรัจฉานให้คนทุศีนพวกนี้ได้บุญไหมได้อยู่แต่ว่าได้บุญน้อยแต่ถ้าให้กับคนที่มีราคาโทสะโมหะน้อยก็เปรียบเหมือนกับนาที่เป็นนาดีมีน้ำสมบูรณ์มีดินร่วนมีสารอาหารเต็มที่เอาข้าวไปหว่านไปปลูกก็จะได้ผลมากเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างเรื่องของยันก็คือไม่มีผู้รับ กับเรื่องของการให้ทานนี่คือพูดถึงสิ่งของเลยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของของการบูชาด้วยการปฏิบัติพูดถึงเรื่องสิ่งของการบูชาด้วยสิ่งของชนิดที่ไม่มีคนรับก็คือยันกับการบูชาชนิดด้วยสิ่งของที่มีคนรับที่เป็นเนื้อนาบุญด้วยาการให้ทานในส่วนที่สองตรงนี้ยลักษณะแบบที่สองเนี่ยจะได้บุญมากกว่าอันนี้คือเป็นที่พระพุทธเจ้าสอ น, นะจะสอนด้วยการให้ทานอันนี้จะจะไม่ได้สอนเรื่องลักษณะรายละเอียดของวิธีการบูชายัน แต่จะพูดแค่คร่าวๆเฉยๆละว่าเอาถ้ามีการกระทํามันก็ต้องได้ผลล่ะอันนี้เป็นสมาธิๆๆๆเฉยๆนะในในส่วนที่สามคือเรื่องของเทพเจ้านะที่คุณหยงติวพูดเมื่อสักครู่ว่ามีนายคนหนึ่งเขาถูกขังใช่ไหมแล้วเขาก็ได้เข้าฝันแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรื่องนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เพราะว่าสัตว์โลกในในสังสารวัตเนี่ยมันมีเยอ ะ, ะตั้งแต่ที่เป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นเทพนะเทพชนิดที่อยู่ใกล้มนุษย์เทพชนิดที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเลยแบบนี้ก็มีแ<ะ>ซึ่งก็อาจจะมาช่วยเขาก็ได้อาจจะเป็นไปได้ก็จริงอันนี้ก็ไม่เถียงไม่รู้นะก็ต้องมีคนที่มีคเครื่องรู้มาตรวจสอบได้แต่ว่าเรื่องของการบูชาในลักษณะนีนะ้ก็จะได้ผลแตนะ่ผลก็อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นหรือในเวลาต่ อ, ตอมาแต่ผลนั้นจะไม่กเกษมแตนะ่ว่าผลไม่กเกษมนี่ก็คือว่า มันก็ยังจะมีทุกอื่นอีกเรื่อยๆเกิดขึ้นอยู่ค่ะแต่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําให้บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นคือบูชาบุคคลที่สามารถที่จะทําให้เรารู้อริยสัจ4ีได้เพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อความเกษมเจตุพรค่ะนะคะอันนี้ก็พูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการบูชาหรือว่ายันยะยันใช่ใช่ยันสืบเนื่องมาจากข่าวพวกนัก รักษาทั้งหลายที่เข้าไปรณรงค์พเพะเผื่อบางครั้งก็อาจจะไม่ได้คิดเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าการฆ่าเยอะๆเนี่ยมันก็น่าใจหาย <c oughs> เป็นแสนแสนชีวิตแล้วก็เลือดนองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงเป็นภาพที่มันน่าสะลดสังเวช <c oughs> แต่ว่าในส่วนของการที่เราคิดว่าคนทำอะไรก็ต้องหวังผลใช่ไหมคะก็มีการมาให้ความรู้กันละว่าลองคิดตรองกันดูซิจริงหรือไม่ ว่าจะได้ผลอย่างที่ต้องการเป็นความเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าเป็นการขจัดปัดเป่าโชคไม่ดีหรือเปล่าจากการฆ่าชีวิตหนึ่งหรือฆ่าหลายๆชีวิตเพื่อการบูชานี้ก็คือในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าการบูชาอะไรก็ตามที่ต้องมีสัตว์มาตายมีคนที่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลได้รับการลำบากพรากมีการทาลายสิ่งนั้นสิ่งนี้การบูชานั้นเนี่ยไม่ดี การแล้วกานั้นไม่ดีก็เป็นหลักเลยนะคะถ้าเราเป็นชาวพุทธจําหลักที่ท่านพิบูแนะนําเอาคําสอนของพระศ า, ศ า, ศาสดาเอามาไว้ให้เราทราบก็ได้ว่าการบูชาอะไรที่ต้องสูญเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ใช่ความเศร้สาสลดใจ ม, มีการเบียดเบียน ม, มีการพยาบาทเบียดเบียนสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะถูกต้องถูกต้องพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะทีนี้มาถึงคําถามของท่านคะ่ะที่คุณผู้ฟังชื่อคุณปัญญาอืนะคะได้ส่งมาให้ตอบในารายการนี้ด้วย เราก็อ้างถึงเมื่ อ, อวันที่ยี่สิบสี่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าเกิดความคิดว่ามีความสัมพันธ์กับอิทัพปัจจยะตาปฏิจจสมุปบาทที่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นได้สนทนาเรื่องอะไรท่านอาจารย์จำได้ไหมคะก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าความเกวี่ยวเนื่องกันของกองทุกจากตัณหาไปทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรทาให้คุณปัญญาเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเหรอค่ะ นะคะคุณปัญญาก็ได้อ้างถึงพระวินัยฉบับหลวงเล่มสี่มหาวักภาคหนึ่งที่ว่าสิ่งที่พูดในวันนั้นมีความสัมพันธ์กับอิทัิปฏิยาตา <ừ> และก็ปฏิจจสมุปบาทเราบอกว่าในพระวินัยปีดกโพธิกถาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดดับกองทุกข์ทั้งมวล น, นั้นย่อมเกิดด้วยประการชนี้แล้วก็เขียนเป็นสม ก, การดิฉันอ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะท่นานคะอันนี้เป็นสม ก, การทางคณิตศาสตร์คุยก็ยกให้ท่านเผยบูรพูดดีกว่าทั้งหม <ừ> ดเลยค่ะ ค่ะเออคือคืออามาเข้าใจว่านะคุณปัญญานี่ก็คงจะเป็นเรียนทางด้านสายวิทย์มาแล้วก็มีความเข้าใจในลักษณะทีะ่พื้นฐานที่ตัวเองเคยทราบมาเรียนมารู้มาอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นภาษาแบบหนึ่งนะคุณโยมติว๋วเป็นภาษาที่ต้องมีเหตุและมีผลแต่เป็นภาษาที่เป็นโครงสร้างอย่างหนึ่งแต่เป็นภาษาที่ที่ตายตัวหรือสมมติเราบอกหนึ่งมงหนึ่งเท่ากับสนี่เป็นภาษานะ เป็นภาษาที่สื่อสารกันกันเป็นลักษณะนี้เพราะม<แ>ันจึงมีสมการซ้ายและขวาและซึ่งทําให้คุณปัญญาเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของสมการการทํางานของสิ่งต่างๆก็พูดง่ายๆคือความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองรพระพุทธเจ้าบอกไง<แ>คือโยมติวบอกว่ า, าคนที่ฟังธทำแล้วเนี่ยฟังทำแล้วจะสามารถที่จะยังลงสู่นิยามสําเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมะได้เนี่ยก็คือมีการแยกฟังให้รู้ถึงสองส่วนนั่นคือส่วนแรกเนี่ย คือเรื่องของทุกข์แล้วก็เหตุเกิดทุกข์ในการจําแนกแยกฟังเพื่อให้รู้ในส่วนที่2ก็คือทางดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ก็คือเข้าใจถึงเหตุและผลนั่นเองพูดง่ายๆเข้าใจถึงส่วนที่เป็นด้านซ้ายและก็ด้านขวาเข้าใจถึงสมการที่เป็นเหตุต้นแล้วก็ผลปลายลตัวแปรต่างๆพวกนี้ก็ทําอย่างนี้แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายซึ่งถ้าเราจะพูดถึงกฎอิทธิพัจจิยตาเนี่ยที่เราบอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี พูดใหม่นะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีแต่เราจะพูดภาษาไทยให้คนไทยเราเข้าใจฟังกันนะก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมนะีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นแตนะ่ก็คือวู้ยง่ายก็คือถ้ามี x ก็มี y แนตะ่ถ้า x เกิด y ก็ต้องเกิดอันนี้เป็นสมาการอยู่ละอันนี้คือคที่คุณปัญญาเขาเขียนมาในลักษณะนี้นะแต่เราก็ถ้าเรื่องของความดับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคือสมาการทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันต้องมีซ้ายและข ว, วาถ้าซ้ายไม่มีในะเหตุต้นไม่มีผลก็จะต้องดับไปอันนี้ก็ตรงกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ า, าตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีนเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปซึ่งนี้คือคสมการเหมือนกับการทํางานของระบบเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองค่ะนะคือถ้าจะให้ดิฉันสรุปท่านฟังทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าดิฉันทําไมถึงบอกว่าหานไม่รู้เรื่อง คือเรียนคณิตศาสตร์ไม่เก่งแล้วก็เป็นโรคตกใจนะคะเวลาเห็นสมการคณิตศาสตร์ทีนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติคุณปัญญานะคะที่เป็นผู้มีปัญญาในการไปโยนิสงวนนิสัยการกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นสภาพแวดล้อมที่ได้ประสบมามีประสบการณ์เรียนคณิตศาสตร์มาก็เอามาสังเคราะห์เข้าด้วยกันนะคะว่าจะมี f วงเล็บ x เท่ากับลบ วงเลบ n เท่ากับ1อะไรเนี่ยนะคะอืมแล้วก็จะมีสูตรอีกเยอะแยะว่าเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหมด น, นั้นย่อมคือผลรวมของ x 1เท่ากับอวิชา x 2เท่ากับสังขาร x สวิญญาณ x 8ตันหา x 9อุปาทานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง x 12บรุ่มหลงมัวเมา x 14อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของเหตุผลถูกไหมคะอันนี้ทีฉันพยายามจะบอกว่ามีเหตุและมีผลซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ได้ทรง สอนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้อยู่แล้วว่าทุก์เกิดแต่เหตุและเมื่อมีการเกิดย่อมมีการดับถูกต้องนะคะก็เป็นอันว่าดิฉันเข้าใจว่าไม่ใช่คำถามถูกไหมคะเป็นเป็นการบอกว่ า, าคุณปัญยาเนี่ยเข้าใจเช่นนี้ใช่แล้วตรงนี้ก็ยังพูดถึงเรื่องของ x สิบสองจนถึง x ร้อยแปดร้อยเก้าก็คือความทุกข์เอเนกปริยายน่ยก็คือถ้าเขียนเป็นสมการก็คือเรื่องของอนุกรมนั่นเอง ถ้าดับบฟังที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะมีเรื่องของสมการใช่ไหมแล้วก็จะมีการแก้อนุกรมอนุกรมแบบขนานอนุกรมแบบอนุกรมแล้วก็จะมีเรื่องของแคลคูลัสอะไรต่างๆเหล่านี้นการที่เราจะแก้อนุกรมพวกนี้ได้บางทีต้องใช้แคลคูลัสหรือใช้ลาบลาสทรานส์ฟอร์มซิ่งตรงนี้คือสิ่งที่คุณปัญญาเข้าใจละ่ะว่าอ๋อมันต่อกันไปเรื่อยๆแมันไม่จบมันเป็นอินฟินิตี้ในเรื่องของความทุกข์ต่างๆอันนี้ก็เข้าใจถูกอยู่ทีนี้ในการที่จะทํา สมการนี้ให้มันมีความง่ายในการที่จะแก้ปัญหาแั่นเราก็ใจง่ายง่ายนคือถ้าเราจะเขียนสมการให้มันซับซ้อนสับสนยังไงก็ได้แต่ว่ามันต้องมีศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่เขา derive ให้มาให้อยู่ในรูปที่มัน simple ที่สุดง่ายๆที่สุดซึ่งรูปที่ simple ที่สุดง่ายๆที่สุดเป็นตัวแปรที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ตั้งแต่ตอนต้นพระสูตรนี้อยู่แล้วนั่นที่เรียกว่าเป็นกฎอีทัพปัจญยตานี่แหละนั่นที่พูดไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่ว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเพระาะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจะเกิดขึ้ น, นเมื่ออะไรมีอะไรย่อมมีเมื่ออะไรดับอะไรจึงดับ น, นี่คือสมการอยู่ละคือถ้าซ้ายมีขวามี x ก็ถ้ามี x ก็ต้องมี y ถ้า x ไม่มี y ก็ต้องมีไม่มีอันนี้คือสมการง่ายๆรูปแบบง่ายๆอย่างนี้แล้วด้วยหลักการตรงนี้คุณจะไปจับอะไรก็ได้เป็นคู่เป็นคู่ไปะจะเอาอะไรคู่อะไรล่ะถ้าตันหาก็คู่กับเวทนา หรือว่าถ้าจะเอาอุปทานน่นก็คู่กับตันหาอย่างเงี้ยไล่ไปเป็นคู่คู่การวิเคราะห์ในจุดนั้นๆเนี่ยก็จะทําให้มันง่ายได้ไม่ได้ยุ่งยากสับสนค่ะนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นในระดับไหนก็ตามนะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงว่ามีนามรูปนะเพราะมีนามรูปจึงมีสัญญานะอย่างเงี้ยไอการที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยการที่มันเข้าไปก้าวลงการที่มันไปยึดถือการที่มันเป็นเหตุให้เกิดตรงเนี้ยนี่เป็นการกระทําของตันหา ทั้งสิ้นเลยเป็นการกระทําที่จิตมันเพลินไปจิตมันหลงไปจิตมันเข้าไปตั้งอยู่มีการเข้าไปกลุ่มรุมอยู่ในสิ่งนั้นมันจึงทําให้มีนามรูปแล้วก็จึงไหลไปทําให้เกิดมีสลายตนะเกิดขึ้นในลักษณะของการเกิดจึงเป็นอย่างนี้นซึ่งถ้าบอกว่าเราจะทําให้มันดับาทาไงเราถึงจะให้มันดับได้ทำไงถึงจะมันคลายได้เพราะว่าเอลักษณะของการทํางานของตัณหาเนี่ย มันเป็นความยืดความเหนียวความหนืดความที่มันจะไปยึดถือในลักษณะการทํางานเป็นอย่างนั้นแต่แต่ถ้าเราจะไม่ต้องงานให้เป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ไปดึงกลับไงคือถ้าเราดึงกลับมันเหมือนกับชักเยื้อกันนะคุณโยมติวนะพอพอชักเยอือกันมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือถ้าเราปฏิบัติทําไม่ถูกบางทีกลับมาโอแทนที่จะสงบระงับสบายใจกับเหนื่อยด้วยซ้ํานื่อเพราะว่าเป็นดึงชักเยื้อกันแต่ว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่ฝ่ายนั้นพยายามที่จะดึง แต่ฝ่นั้นพยายามที่จะดึงพวกตันหาวิชาเนี่ยพยายามที่จะดึงจิตกําลังให้ไปก้าวลงคิดถือในสิ่งต่างๆมีขันธ์าเป็นต้นเนี่ยเราก็พยายามจะตัดเชือกของมันแต่พยายามจะตัดกระจัดร้างมันไม่ใช่เชือกธรรมดามเป็นเชือกเหนียวมันเป็นยางเหนียวมันเป็นของที่เป็นเครือข่ายเหมือนแห่นะ ต, ตัดตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วมันก็ยังมีเส้นนั้นต่ออีกนะซึ่งลักษณะที่จะตัดตรงนี้ลอกตรงนี้กระจัดตรงนี้ทําความแสะตรงนี้สิ่งที่มาใช้หรือเครื่องมือที่เราใช้ก็คือมักรแปด นะ่นคือศีลสมาธิปัญญาแตนะ่ไม่ใช่เครื่องดึงแต่เป็นเครื่องล้างในะเครื่องขจัดไอเจ้าเครือก่ายตรงนี้ออกไปณนะจีของเรามันก็จะระ ง, งับลงดับลงมันก็จะค่อยๆ ค, คลายออกคลายออกจากสิ่งที่จะมายึดถือในะสมการนี้มันก็จะยกเลิกไปได้เลยนะดับหมดทั้งซ้ายและขวาค่ะซึ่งอันนี้อถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยก็สามารถที่จะเกาะไปในคําสอนของพระพุท ธ, ธองค์เดิมนะคะใช่ใชเพราะถ้าในเรื่องปฏิป จะสมุบาทเนี่ยชัดเจนมากเลยอ่าเป็นเรื่องที่ดิฉันเข้าใจว่าเป็นสามัญสามัญธรรมที่คนเข้าใจได้ด้วยเออก็แก้ที่เหตุใช่คะทุกคนยอมรับนะคะทุกวันนี้ปัญหาแก้ที่เหตุเนี่ยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นธรรมะของพระศ า, าสดา ก, ก็จะแยกคายเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีดิฉันเข้าใจว่าสำหรับคนที่อ่าไม่ต้องเข้าใจคณิจาร์นะคะก็ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลได้เช่นเดียวกันแต่ก็ สำหรับนักคณิตศาสตร์หรือนักอื่นๆก็อาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตนเองสัมทัสเพราะได้ศึกษาในสมการอื่นๆมาด้วยเลยยอมรับว่าพระพุทธองค์นะคิดมหาสมการถูกไหมคะอ<ช>ืเป็นเป็นมหาสมการพุทธสมการจึง<ช>ทําให้สมการของอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ในนั้นได้ทั้งหมดอือันนี้คือเป็นเป็นเรื่องที่คือเป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองค้นคว้าทดสอบ หเห็นตัวอย่างมาแล้วจึงจะได้นำมาบอกสอนเปิดสอนให้เราทราบกันค่ะท่านคะทีนี้คำถามข้อถัดไปครับคำถามข้อถัดไปของคุณปัญญาก็คือว่าเรื่องขัน5้แสดงไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเจ้าตัวตันหาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความไม่คงที่เป็นทุกนาภาพแปรปรวนถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็เลยถามมาว่าเอ๊ะตันหาเนี่ยเป็นสังขารขันใช่หรือไม่นี่คือคำถามคุณปัญญาว่า ปัญหาในเป็นสังการขันใช่หรือไม่แล้วตอนเราต้องแยกกิจที่ควรทํากันให้ออกชัดเจนก่อนในภาวะถ้าเราเหมารวมว่าตัญหาอะไรที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยทุกอย่างเป็นขันห้าหมดอันนี้มันจะทําให้เราสับสนในข้อปฏิบัติของเราแน่นอนทุกอย่างเป็นขันห้าหมดนะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญานีอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะตัญหาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะเอาแล้วงี้มันมันจะทํำยังไงกันแน่ นะก็คือจึงพระพุทธเจ้าจึงต้องแบ่งให้เห็นว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงนะแล้วมันยึดถือได้อันนี้ไว้ส่วนหนึ่งกองหนึ่งก่อนแต่อะไรที่มันไม่เที่ยงยึดถือได้แล้วมันนํามาให้เพิ่มความยึดถือเนี่ยโห อ, อันนี้มันตัวชั่วเลยไม่ดีเลยอันนี้แยกไว้หมดหนึ่งอันนี้หมวดนี้เขาเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็เรียกว่าตัณหานะเพราะว่ามันจะทําให้เพิ่มสิ่งที่ทําให้เกิดความยึดถือขึ้นนะในทางตรง น, นข้ามอะไรก็ตามที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ไหม แต่ว่าถ้ามีคุณสมบัติของการที่จะคลายกำหนัดมีคุณสมบัติของการที่จะเปิดออกมีคุณสมบัติของการที่จะไม่ยึดถืออันนี้จัดไว้อีกหมวดหนึ่งมันคือมนะักเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำมากๆคือทั้งหมดเนี่ยสกองเนี่ยไม่เที่ยงเหมือนกันหมดอนะเนี่ยตั้นฮาก็ไม่เที่ยงขันห้าก็ไม่เที่ยงแล้วก็มักแปดก็ไม่เที่ยงเนะี่ยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดได้ดับได้มีเหตุ ข, ของมันเปลี่ยนแปลงไปได้ดังน้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะเหมาดวมไม่ได้ไง อภิชาตเจ้าจึงมาแยกแยะแจกแจงบัญญัติทําความเข้าใจทําให้เป็นของตื้นให้เข้าใจง่ายเรื่องอริยสัจสีว่าไอกองที่ไม่เที่ยงนะแต่ถ้ามันจะทําให้มีความยึดโยงให้มีความครอบงําให้มีอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องรีบละเลยแยกมากองหนึ่งเรียกว่าตันหานะเรียกว่าทุกข์ดสมุทยัยนะตัวมันก็คือตันหานั่นเองอวิชานั่นเองอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองนะส่วนอะไรก็ตามที่มันอาจจะ เปลี่ยนจากดีเป็นชั่วดีบ้างไม่ดีบ้างไออันแรกแตะกี้คือไม่ดีอย่างเดียวเลยนะไม่ดีอย่างเดียวเลยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์แต่บางสิ่งบางอย่างเช่นหลักการปกครองบางอย่างภาษาบางประษาหรือว่าของที่มันเป็นไปกับโลกอย่างเงี้ยแฟชั่นพวกเนี้ยบางทีมันก็ดีก็มีเสียก็มีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเอาพวกนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างให้เราทําความเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าส่วนที่เป็น ทุกขาริยาสัตว์นะีส่วนที่3คือส่วนที่ไม่เที่ยงนั้นแหละแต่ว่ามีคุณสมบัติของการที่จะเปิดออกในการที่จะทําความสะอาดทําความแจมแจ้งทําความดีให้เกิดขึ้นเป็นส่วนแห่งกุศลธรรมอันนี้แยกใหม่กองหนึ่งเพื่ออะไรเพราะว่ากิจที่ควรทำเนี่ยในการที่ต้องทําให้มากๆเนี่ยมันต่างกันนะจึงจึงแยกแยะให้เห็นนะต้องต้องแยกออกอย่าเมารวมนะในข้อนี้อย่าเมาเอาปัญหาไปรวมกับสังขารขันไม่ได้ เพราะว่ากิจที่ควรทำมันต่างกันนะตัณหาเวลามันจะยึดมันก็ยึดในขัน5นั่นแหละนะมันอาจจะเปลี่ยนขัน5ให้เป็นไปตามเรื่องตามราวที่เราต้องการถ้าเราชอบสิ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบมันก็จะเปลี่ยนไป็นแบบหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้นะสุขบางทีทุกข์บางทีนะก็ทาให้เราเห็นธรรมได้ถ้าเรามีมรรคแปนะนี่คือในข้อที่4เพราะฉะนั้น ถ้าเราเห็นอะไรที่ไม่เที่ยงนะ่ยอย่าไปเหมารวมว่าเป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดไม่ใช่ไม่แน่เนะ่ยเพราะว่ากิจที่ควรทํามันแตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องของนิพานอย่างเงี้ยนิพานก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันนะอาศัยเหตุปัจจัยคืออะไรอะ่ะก็คุณเดินตามมารคเนี่ยมันก็จะทําให้นิพานเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เราก็ค่อยปฏิบัติไปตามกระบวนการในขณะที่เราปฏิบัติตามมารคแปนกระบวนการในที่นี่คือมรค8นะ เราจะสามารถทําความเข้าใจในเรื่องของขันห้าได้เราสามารถที่จะละตันหาได้เพราะเราเข้าใจขันห้าเรื่องของสังการทั้งหมดแล้วเราเห็นแง่มุมที่มันมีความแตกต่างกันกันกบเรื่องของตันหาแล้วแต่ตันหาที่มันลดลงไปลดลงไปลดลงไ ป, ลดลงไปนี่แหละจะทาให้เราชัดเจนในเรื่องของขันห้าเรื่องของสังการกันมากขึ้นทําให้เราชัดเจนในเรื่องของมักแปที่ว่ามันจะต้องทําอยู่ตลอดเวลามากขึ้นพระพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วคือหมายถึงตรัสรู้แล้วที่ใต้ต้นโพเนี่ยก็ไม่ได้เลิกทํามักแป แล้วก็ยังทำอยู่แต่ต่อให้มีนิพพานแล้วต่อให้ตัณหาหมดไปแล้วเราก็ยังปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่เพราะว่ากระบวนการนี้มันดีไงค่ะนะคะนันก็เป็นอันว่าคงจะได้ความกระจ่างสําหรับท่านฟังที่เคารพทั้งหลายจากคำถามของคุณปัญญาในวันนี้กราบนวัสการของพระคุณท่านเพรบุญปัญญาอย่างยิ่งนะคะเยมวั น, น, นสั ก, การค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและนี้ก็เป็นรายการ ที่ท่านจะได้ธรรมะกันตั้งแต่ตอนเช้าทางสถานีวิทยุครอบครัวข่ า, ขาว FM106 ็มสนะคะ ส, มสัสมมนาค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทวีสวัสดีค่ะ